ที่สารแพ่งคือว่าพอดูปบมันจะไปเน้นแค่นี่้นะไปเน้นเหมือนเหยียบเบรกใช่ไหมเธอรู้ตัวเธอก็ถอนเบรกออกมาถอนถอนการกดการเน้นการกดข่มแล้วก็ถอนออกมาเพราะถอนออกมาแน่ๆไอ้ตอนถอนออกมาเนี่ยมันเหลือแต่รู้รู้ธรรมชาติที่ไม่กดค่มเธอรู้อย่างนั้นไว้เลยแต่รู้ลลอย่างนั้นไว้แต่พอเดี๋ยวแล้วมันจะกดเข้าไปอีกเน้นความรู้สึกเข้าไปอีกเธอรู้ตัวรู้ต้องทานแล้วอะถอนออกมาเหมือนกับว่าถอนถอนเบรกออกมาสุดเดี๋ยวพอรู้รู้ก็จะไปกดอีกแต่ก็ขอนออกมา ถอละมาเป็นปกติล้วก็รู้ว่าตอนที่ถอนละมัปกติเราอยาถอนแล้วถอนเลยยที่ไม่รู้นะแต่รวยอย่างนั้นก็รวยอย่างนั้นนั่นแหละอย่างนี้เราทาอย่างนี้ติดเค่องอ่ะอนี้เธอบอกอะไรไม่ใช่แบบกดแล้วแช่ไว้แช่ตายเลยไม่ใช่แต่คือบคือเหมือนว่าเราเไม่ไปทำอะไรพรู้เองว่าเรานี่คือการนี่คือการเดบเดบปุ๊บเราพอรู้เ่งนีคือมันไม่ละมันถูกแล้วเดี๋ยวเราก็จัเสออีกตามความเคยชินของเราี่ก็ไปทำนั่นเองแต่ไม่ใช่แบบ ไปแบบเหีห่ยบไปเหี่ยบคือรู้ว่าเหี่ยบไม่ได้ไปเหยบ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชนี่ยอย่างนั้นเรียกว่าอย่างนั how, ้นเรามาเรียกว่าท şey ิฏฐิอัจฉริะคือรู้แล้วยังจะทําอย่างนั้นอีกรู้แล้วว่ามีการคงแต่งกิตให้มันมีมีการกระทําลงไปแต่ยักระทําต่อลงไปอีกรู้ว่ากระทําต่อไปอีกอย่างเงี้ยมันเหมือนกับทิฏฐิลงไปทิฏฐิมาหน้าทิฏฐิลงไปคือออัจฉริยะลงไป สูกับ ม, นบมนันการต่อสู้กับมันไปในการต่อสู้เข้าใจผิดก็ว่าการที่มันดัก่ายด้วยความเข้าใจมันกลายเป็นแบบเมื่อไหร่จรงจะหายก็ได้ทีเองใช่ไหมใช่ใช่ตัวย<ช>ีสต่อสู้ <ๆ S 2> ลงไปนั่นคือเอคอคือขึอ้นรู้สึกหมือนเราพอไปทําอย่างนั้นมันมันเป็นรวมาดาันคือผมว่าไม่ใช่มันมั น, อ น, นอ ม, มันต้องถอนออกมาอ่ามันต้องถอนออกมาปอยออกมาถอนออกมาจริงๆแล้วถ้ารู้แล้วมันน่าจะจบแล้วใช่จ๊ะคือรู้ว่ารู้มันมันเต็มในใจบางคนบางคนรู้แล้วมันไม่ถอนออก คือคือเมื่อก่อนอาจารย์เมื่อก่อนจะทํานี้จริงจริงคือเหมือนกับย้ายฐางจิตใช่ใชแต่แต่ตอนนี้คือเหมือนเรามารับรู้สองอย่างคือถอดเอาแล้วมันจะรู้คู่กันได้นะคือรู้กายรู้จิตคู่กันได้รู้เราไม่ได้ก็ออกแล้วก็รู้จิตที่คิดที่ถือต้องเู้ลีแต่งมีอารมณ์มีการพฤติกรรมทั้งจิตที่กดที่งเน้นที่กดค่มที่ค้นหาที่ดิ้นรนอ่ะมันจะไปเห็นชัดแล้วก็เห็นคู่กันแต่ถ้ามันเน้นดูแล้วเน้นเน้นเเลงไปนะเพลงอัดลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นจมเข้าไปในอาการนั้นเลยอ่ะ พอถอยออกมาสุดแล้วเนี่ยมันก็จะมองเห็นตั้งเหมือนกับว่ามันจะรู้ทั้งตายรู้ทั้งลมาไม่เข้าออกหรือรู้ทั้งอารมณ์กรรมพุทโธแล้วก็รู้ทั้งจิตที่ที่สิิณีติดกองผงแตงมันมีอาการกดข่มอะไรเนี่ยพอถอยออกมาสุดปุ๊บมันก็จะรู้ชัดแหละรู้คู่กันระหว่างเลมหายใจเข้าออกกับรู้จิตสกิณีติดกองผงแตงเนี่ยหลดไปก็อย่างนั้นแหะถูกต้องแล้วเราก็รู้อย่างเนี้ยแล้วก็เป็นผู้รู้ไปเรื่อยๆเป็นผู้รู้ไปเรื่อยๆรู้รู้รู้รจนกทั้งรู้ไปแล้วเราสามารถตอบตัวเองได้ ว่ารู้สิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดโดยไม่มีความเข้าไปยินดีไม่เข้าไปยินร้ายเข้าไปพอใจไม่พอใจไม่เข้าไปอยากไม่อยากอย่างไรแต่แต่ตตรู้แต่ว่าเรารู้จริงจริงโดยที่ว่าไม่ได้ทําให้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันหายไปหรือว่าไม่ได้ทําให้ผู้รู้มันหายไปสิ่งที่ถูก ร, รู้ก็ยังถูก ร, รู้อยู่ผู้รู้ก็ยังรู้อยู่แต่มันสิ้นแล้วซึ่งรู้แล้วก็มันสิ้นด้วยความยินดีสี้นความยินร้ายสิ้นความพอใจก่านพอใจสี้นความอยากไม่อยากตรงนี้ต่างที่มัน ทำให้มันรู้บางคนนิพพานบางคนพยายามทําให้สิ่งที่ถูกรู้อาการแห่มุ่นหายไปอย่างนี่หายไปหรือคนพยายามทําให้ผู้รู้หายไปไม่ใช่ดังนั้นเน่ยมันสิ่งที่ถูกรู้มันยังรู้อยู่ไอ้ผู้รู้ก็ยังรู้อยู่แต่มันสิ้นมันรู้กันโดยสิ้นความยินดีสิ้นความยินร้ายสิ้นความพอใจสิ้นความไม่พอใจสิ้นความอยากสิ้นความไม่อยากสิ้นกิเลสตัณหาเนี่ยเองเพื่องั้นมันก็เลยรู้นิพพานหรือเรียกว่าที่หลวงปู่ดาว่าเป็นซึ่งทีมุ่นในอัตโนมัติ คือตั้งตั้งแต่มาทำสองอย่างอ่ะแบบดีขึ้ที่อาจารย์เริ่มมาสอนว่าให้รู้สองอย่างแต่ว่าหนูใช้รู้กวามเคลื่ไหวเอามันก็เออมันมาดีขึ้นเมื่อก่อนนี่ก็คืออยากให้สิ่งที่ถูกรู้มันหายไปเลยมาปฏิญญาอเงี้ยแต่วาตอนนนพอมาจับอย่างเงี้ยมันเออเอามาจับคู่ใช่ไหมมาจับคู่ไห้รู้กายรู้จิตเนี่ยคู่กันเนี่ยตรงเนี้ยนี่ประโยชน์มากเลยนี่ประโยชน์มากเลยอก่อนมันเข้าไปทุ่งวงในเลยพอปุ๊บไปจับเลยไปไปสู้กับไอ้นั่นเลยใช่ทีนี้พอถอยออกมามันมันก็ไม่ต้องไปสู้ไนั่นเไี้น เราไม่มีกายหรือจินะฮะไปรูดูอย่างเนี้ยก็มันจะขลับนะพุทธพจน์พุทธเจ้าเนี่ยเนี่ยที่ว่าพอท่านเรียกพุทธเจ้าแล้วแต่ว่างไม่ได้แล้วว่างเมื่อไหร่ต้องมารู้กายรู้จิร ต, ตรู้นามปฏิสติรู้เราไม่ใจก็ออกไั้นพุทธเจ้ายังมารู้เราไม่ใจก็ออกรู้นามปฏิสติรู้กายรู้ิตอยู่เลยอออย่างนี้นก็ต้องขอ ง, ของคู่กันตลอดเวลานะมันก็คือไอ้สิ่งที่ถูกรู้มันยังมีอยู่ไอ้ผู้รู้มันยังมีอยู่แต่มันสิ้นเพียงแค่สิ้นความพอใจซึ้นกวามไม่พอใจ เพิ่งก่อยินละายินดียินร้ายเพิ่งก่อนอยากไม่อยากเท่นั้นเองเป็นกิเลสตัณหาเท่านั้นเองไม่ได้สิ้นสิ่งที่ถูกรูก้ไม่ได้สิ้นผู้รู้นั้นก็รู้กันไป เ, นนเลยรู้คู่กันหมดเลยมันจะเป็นคานกันลู้กายรู้จิตกายก็คานจิตไม่ทําให้จิตมันมาครุกกับเราเราหลงไม่แบบมันมารูกายก็ไม่ทําให้ลู้กายอย่างเดียวก็จิตอัดแน่นได้หมดเลยรู้จิตอย่างเดียวก็ถูกกล้ากันหมดรู้กายรู้จิตมันคานกัน นำทานกันให้สมดุลในลูกการรูปจิดไม่ผิดอยูน่นะให้ผิดเป็นทางเดินของพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นทางมะขุนนิพพานไม่ผิดอยู่แล้วส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติเนี่ยจำ น, นวนมากผลมากจะวัดเอาตรงนี้ว่าใจนิ่งใจสงบใจเฉยใจว่างใจสบายอยู่ตัววันถ้าจะ ส่วนใหญ่เลยผมต้งแกะดูอย่างผู้ติวสามผมเนี่ยก็จะหมุนหิดกับใจไม่นิ่งมุนหิดกับใจได้ว่างใจไม่สงบแล้วเมื่อไหร่ที่ใจว่างใจเบาใจสบายชอบใจมากเลยโทรศัพท์มาตอนี้กระด้ว่างมากไปเนี่อะไรว่างมากว่างมากว่างมากเลยแต่พอเข้าใดเนี่ยใจมันไม่สงบไม่นิ่งไม่ว่างโอ้โหมุนหงิดมากเลยโทรศัพท์มามุนหิดทำปรึกษาแล้ยมุนหงิด มันยิ่งไม่สงบเลยว่ะมันฟุ้งซ่านเลยหมุนหงิดหมุนหงิดเขาไปเอาไอ้ตัวนั้นเป็นตววัดไม่ได้เอาความสิ้นความพอใจทึ้งความไม่พอใจทึงความดีดีิ้งความมิร้าที่ความอยากไม่อยากเป็นตววัดแต่ไปเอาไอ้ตัวว่างว่างว่างว่างเป็นตวัดถ้าใครเอาความว่างว่างว่างเป็นังวัดเป็นตวัดนะทำอยู่ตรงนั้นนะโอ้โห เวลาพลังมันอัดนี่นะมาหารศาลจริงจริงมันว่างเฉพาะไข่ขาวอไงตรงไข่แดงมันไม่ว่างมีมองให้แน่ใเออไข่แดงมันไม่ว่างอ่ะมันต้ขยายด้วนี่อะไรมันเอาขยายตรงนี้ใช่ไข่แดงไม่ว่างนะยพลังเวลาพลังมันอัดเนี่ยมันอัดที่ไข่มันอัดตรงไข่แดงนั่นแหละเฮ้ยพวกนี้ทําสําระทกนหรือว่าไปทำให้ว่างเลยอำความรู้สึกเพว่ามันและมันมีกรณีได้หลายแบบแล้วแต่ว่าจะ อาจจะสรงอารมณ์มันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแบบลักษณะอย่างนั้นครูว่าหรือว่าเหตุการหรือสร้างความรู้สึกมาเลยก็แหละว่าหรือว่าหรือใครเคยเจอความรู้สึกอย่างนั้นแล้วสวร้างขึ้นมาแล้วจำไว้เลยจำไว้เลยว่าตรงนั้นแหละคือเป้าหมายแล้วเนี้าถ้ฝึกยังไงก็ต้องไปหาตรงนั้นน่ะมันก็ ทำเป็นแบบไข่ขาวอ่ะขาวไว้สุดต่อไปใช้นอกเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ที่สุดไม่มีมาแต่ไอไข่ไข่แดงเนี้ยคงก็อย่างไงก็คงก็อย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เขารู้สึกในจิงเลยขารู้สึกนั้นจริงจรงรู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีทุกไม่มีอะไรเลยมัว่างหมดว่างมันดัางอากาศแล้วขนาดไอไข่แดงมันมีอยู่มันก็ไปเชื่อมกับไอตรงไข่ขาวที่มันว่างออกไปว่างออกไปก็ไปเชื่อมกับพลังงานในธรรมชาติในจักรวาลไปเชื่อมกับพลังจิตของคนอื่นแล้วคนที่ไม่ได้ทําแบบนี้เขาก็เชื่อได้ไหมจ๊ะ คนที่ไม่ถคือเขาก็ตาเมีไขแดงนะคนที่ยังไม่คนตูกอ่งนีใช่ก็มีไขแดงคนที่ไม่รู้ไปทาไปทำใจว่างๆมาหลังก็มีไขแดงมันไม่เชื่อมันได้เ๋อแต่เขาไม่คือไม่มีว่างเาเปียบเทียบแบบเขาอาจจะมีพลังคนามรเข้ามาแต่เขาก็คือไม่ได้สดสเพราะเาไม่มว่างๆอ่างนีแต่ม่อี้มันว่างแล้วพอมีอะไรที่นึงก็จะชัดเจนเลยิงยิ่งยิ่งความรู้สึกไายในภายนอกว่างมากนะความภายในก็รู้สึกว่างไปหมดนะน้อยหนึ่งิดหนึ่งมือนแทบจะไม่มีอะไรเลยว่างเวิร์ว่างเหมือนหนังอับรากาศไอตอนที่ตัวเองไม่รู้ว ไอ้ตอนนั้นจึงรู้ว่าผิดถึงรู้ว่าผิดผิดต่อที่ลุกลุกไปขึ้นเนี่ยห <c oughs> รือว่าคุณจะทําพรวังหรือว่าฌานใช่ไหมคุณต้องประคองให้เบาโป่งโลง่งเบาสบายเบายาขึ้นเบายิขึ้นประคองไว้ประคองรักษาให้นานเท่าไหร่ก็ได้พยายามนานๆไว้อันนี้คือทาอาําพรวังทาฌานแล้วมันจะเลื่อนคือเป็นเป็นปิติเป็นสุขเป็นรูเบกาย แล้วคุณก็รักษาไว้รักษาไว้ประคองไว้อย่างเงี้ยตอนนี้ถ้าคุณระหว่างที่คุณพยายามประคองรักษาเบาวๆไว้เนี่ยซึ่งทําพรวางเป็นฌานแล้วเนี่ยแล้วคุณไปนเน้นจิตยึสิ่งเนี่ยไปกดไปข่ม น, น้นที่เดียวมันเป็นพลังเป็นพลังทันทีเลยมันกลายเป็นมันเปลี่ยนสถานะาจากการคําพรวางทาฌานมาเป็นคําพลังคือคําพลังคือคําว่าทาพลังก็คือว่าที่ใส่อันใดอันเดียวครับ เมือนกับว่า ค, คุณหายใจเข้าไปแล้วเราคุณอัดนิ่งจี้อยู่ที่ลมหายใจที่องอันเดียวอย่างนั้นน่ะนั่นคือทำพลังหรือคุณจ hmm ี้ใส่คุณจี้ใส่กับเพื่อนกับผูันเดียว <c oughs> อย่างนี้ก็คือเป็นพลังหรือคุณจี้ใส่ที่ลมหายใจเข้าออกเข้าออกคุณจี้ใส่อย่างเดียวจะหรือไม่สนใจเลยไม่ว่ารู้ความคิดรู้รู้อารมณ์รู้อะไรคุณไม่รู้แล้ะคุณรู้แต่ ถ้าสนใจที้ใส่แต่เราไม่ใชอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจที่จะรู้จิตไม่รู้ไม่สนใจที่จะรู้อารมณ์ไม่สนใจที่จะรู้เบาโฟงอะไรจะสนใจแต่เราไมาใจเข้าเราไม่ใจล้วจี้ใส่อันเดียวนั่นคือคุณกำลังสุขพลังครับหรือว่าพุทโธ พ, พ, พ, พุทโธพุทโธพุทโธจี้ใส่พุทโธอย่างเดียวไม่สนใจที่จะรู้จิต ไ, ไม่สนใจอ emale, ะไรเลยนี่กำลังสุดพลังแต่ถ้าคุณประคอง เ, เบาโฟงโล่งเบาสบายเบาขึ้นขึ้นเบายิ่งขึ้นเบาย่ขึ้นเป็นปิติตัวกายตัวหายไปใจหายไป โงเบาขึ้นเบาขึ้นสุกขึ้นอยู่เลยขึ้นว่างหายไปหมดเลยตัวหายโปเบายิ่งเนี่นยคุณประคองรักษาไว้นานเท่าไหร่คืนนี่คือฝึกในขั้นของฌานในขั้นของฌานของพระวงังแต่ถ้าคุณประคอง็ระ ค, อ, ระค อ, องหลุดปุ๊ไปว่างเลยว่างหมดประคองอะไรไม่อยู่เลยพลังก็ไม่มีอย่างนัเป็นวิปัสสนาว่างหมดเลย เป็นวิปัสนาเพื่ออะไรไม่เอาเลยอะไรก็ตามที่ก่อขึ้นมาในใจเกิดขึ้นมาในใจก็เพื่อขึ้นมาในใจไหวตัวขึ้นมาในใจไม่เอาสักอย่างละลายหมดละลายหมดละลายหมดลายหมดไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่เอาสักอย่างไม่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาในใจไม่เอาสิ่งที่ก่อมาในใจสิ่งที่กระเพื่อมสิ่งไหวตัวไม่เอาสักอย่างนึ่งอันนี้ก็เป็นวิปัสนาผลท้ายล้วเพลากุลฝึกวิปัสนามากๆแล้วคุณก็เกาะชันก็ก่อไม่ได้เพราะว่า คุณฝึกไม่เอาไม่เอาไม่เอามันก็ไม่เอ า, ม, เอ า, ม, ม, เอามันก็ว่างไปเรื่อยเื่อว่าจากกา ร, รยึดติดยึดถือไปเรื่อยคุณพยายามจะมาเกาะมาตรงอารมณ์ฌานไว้มันก็จบให้ติดทําพลังก็ทําไม่ค่อยได้เพราะว่าจิตมันว่างไปหมดมันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้งนั mm ้น hmm. เวลาพอทําเนี่ยมันผู้ถามผู้ปฏิบัติมันจะต้องตอบตัวเองได้ว่านั่งสมาธิเนี่ยกาลังนั่งทําอะไรอยู่ เข้าใจนะเพราะทําบอกว่ากำลังนั่งสมาธิเอาใจเป็นพลังใช่บอกว่าให้ทำไม่บวสนาการเป็นพลังอาจารย์เัากว่าเขาไม่เข้าหูจริงทำอะไรของเพราะมันคลิกไปได้โดยที่คนทํามันไม่รู้ตัวใช่ครับใช่ครับไม่รู้ว่าอันนี้ทําอะไรอยู่เขาต้องแก้ตัวนีงจริงๆว่าเฮ้ยอย่างเนี้คุณต้องอ่านใจ ทำอยู่สองอย่างคือทำสมัทกับวิปัสสนาแต่ผลสุดท้ายเป็นพลังใช่ใช่คิดว่าตัวเองทำไปมัทานกัวิปัสสนาแต่ท้ายเล่นพลังแล้วจะเห็ว่าเนี่ยที่บอกว่าที่ที่ลงชั้นสี่ลงชั้นสี่เนี่ยผมมาดูแลชั้นสี่ไม่บริสุทธิ์ทไมชั้นสี่ทไม่บริสุทธิ์เพราะว่า ถ้าคุณรักษาสภาพใจที่เบาคุณไปเรื่อกๆขึ้นไปเรื่อยๆเบามากเลยอ่ะมันจะใสมากแล้วสว่างมากเลยอ่ะมันจะไม่หนักเออมันจะไม่หนักเลยอ่ะมันก็จะสว่างมากเลยเห็นเล่าหูแ่ชานบริสุทธิ์มากเลยอย่างนี้จิตรู้จิตเห็นคมมากเลยแต่เพราะคุณไม่เป็นไม่้าใจอ่ะคุณไปคอยรักษาเบาจะเบาๆคุณกิงเน้นเน้น้าไปเน้นเข้าไปได้ไปหนักคุณก็ทนอยู่อย่างนั้น เจนตั้งร้อนบวกว่บาบวกว่าขึ้นแล้วมีอาการอะไรขึ้นมาแล้วอันนั้นคุณกาลังทําหลังแล้วมันเจนทำทำจานทำมาวังแล้วคุณต้องถอนออกมาอ mm hmm. แต่ถ้าคุณหนักแล้วคุณถอนออกมาแล้วคุณมารักษาปอโกโรคเบสบายแสดงว่าคุณถอนจากพลังมาเป็นฌานมาเป็นผวังแต่ถ้าคุณถอนขาดออกมาเลยหลุดออกมาเลยถอนขาดหัวตะเมอเลยมารู้อยู่เปล่าๆ mm hmm. คือไม่ติดอะไรเลยเป็นวิปัสนา คนที่ไปแล้วเนี่ยเขาสามารถจะพลิกไปเป็นอะไรก็ได้ในขนาดจิตเดียวคือเป็นสมาธิแน่วแน่อย่างเดียวก็เป็นพลังไปรับใช้จิตดูจิตเห็นดูอดีตดูอนาคตดรุ่งชาติมองแต่ละคนก็ใช้ผวางให้มันเบาขึ้นมาแล้วเวลาใช้ชีวิตตามปกติก็ทำวิจารณ์นาค่อยๆละลายละเอาไป ละสิงที่กอันไหนเกาะเข้มาลลายริงลลายริงลายริงลลายทิ้งก็ทำพินคนที่ฉันเนี่ยมันทนทุกข์ยากเพราะมันมีสามอย่างมันไม่เหมือนคนเดินทางอย่างเดียวคนเดินทาอย่างเดียวคือเดินพิพิธนอย่างเดียวอะไรเกิดขึ้นมาในใจก็มันเก่อขึ้นมาบางทิ้งลางทิ้งมันมันมีความคิดเหนียลมอะไรขึ้นมาก็ไม่ออ้างทิ้งลลายริงางทิ้งะลายริงลงิงลายริงไปเรื่อย ไม่ติดอะไรสิ่งที่ก่อสิ่งที่เกิดสิ่งที่กระเพื่อมในใจไม่ติดเลยสักอันทิ้งไปหมดทิ้งหมดทิ้งหมดทิ้งหมดละลายทิ้งหมดล้างทิ้งหมดยิงทิ้งไปหมดยิ่งทิ้งไปหมดก็ยิงว่างยิ่งเบายิงว่างจนทั่งรู้สึกว่างไปหมดเลยก็ต้องทิ้งเบาทิ้งว่างนั้นไปให้หมดสิ้นทิ้งไปให้หมดไม่เอาอะไรไว้เลยสักอย่างเดียวปล่อยวางหมดทั uh ้งหมดทั้งส hmm. ิ no. <S <S hmm. ้นไม่เอาอะไรไว้เลยแม้แต่ความว่าง มันก็เป็นวิจารณ์นาไปเรื่อยๆเลยเพราถ้าทิ้งหมดแล้วไม่เจออะไรเลยก็คนทุกข์ไปเดินทางสายนั้นเนี่ยสบายอย่างเดียวลูกศิอาจก็มีสามอย่างนะแต่ไม่รู้ว่าทาอะไรก็นว่างโมเลยนี่แต่ว่าไม่รู้ว่าทาอะไรเลยใช่ทาอะไรอยู่อ๋อไม่ถูกเลยลูกศิษย์ทั้งนี้แหละแต่แล้วคนอดีตอย่างเขาบอกเขาก็งงงินกักับเพื่อนลูกศิษผมก็คือว่า คุณนั่งสมาธิแต่คุณตอบไม่ได้เลยเวลาถามอ่ะแล้วคุณกําลังทําอะไรอยู่คุณทําบาหวานทาชาหรือคุณทำพลางังหรือคุณทำวิพยาศาสตรคุณก็นั่งอย่างเดียว <laughs> นั่งไปเถอะไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังทําอะไรอยู่ก็ตอบตัวเองไม่ได้ตรงนี้ท่านก็เลยห ง, งุดหงิดมากเลยท่านเลยก็ทำมันขาดไปเลยแยกกันมันกันเด่นขาดออกไป <laughs> โอ๊ยชินไปกันท่ร่างกนี้แหละจ้ะเอ้ยเพิ่งเข้าใจชัดเจนอีก่ว่าอ๋ออะไรทำไมผมก็ไม่เข้า <c oughs> ใจจ้าวันะ <c oughs> แล้วก็ไม่เข้าใจว่าโอ้โหทาไมจีนมันกระเด็นแล้วก็เข้าใจผู้ปฏิบัติแล้วมันทุกยากขนาดไหนกับการที่เอทําอย่างนี้แล้วทําไมอาจารย์เขาบอกไม่ใช่พี่ทำผิดปกตินะก็ในอย่างที่ว่าที่ว่าข้าจานสีก็มาผมมันไม่ไม่เห็นใสเลยผมดูใครว่าข้าจานสีกันนั้นละมันมันมีพลังหนาแน่นอย่างงี้ก็าําพลังแต่เขาเน้นว่าเป็นฌานเน้นว่าเป็นภวังแล้วจับทุกคนเลยบอกว่าข้าวจานสี มอาผมเน่ยจิตเป็นพลังหมดอ่ะเพราะจิตเป็นพลงมันจิตรู้จิตเห็นก็ไม่คมเพราะมันเป็นโซนของพลังตัวเองตกไปอยู่ในเพาตกจิตจะตกไปอยู่ในโซนของพลังแต่ตัวเองยังพยายามใช้จิตรู้จิตเห็นการได้ใช้จิตรู้จิตเห็นมันต้องถอนจิตถอยจิตไปอยู่ในขั้นของผวังแต่วจิงใช้จิตรู้จิตเห็นแต่ตัวเองแยกให้ขาดนะครัตัวเองทาพลังอยู่จิตเป็นพลังอยู่แล้วตัวเองก็ก็ยังจะพยายามใช้จิตจิตรู้จิตเห็น เราไเอเงเนี่ยอยู่ในในแดนของพระหลังมันก็เลยเวลาเห็นมันก็เลยคุมกลุมก็คือชัดบ้างไม่ชัดบ้างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างมั่วๆเลยตรงเนี้ยที่บอกว่าคนฝึกที่ฝึกแย่ที่อาจารย์ธรรวจน์บอกว่าแย่จิตไม่ให้มันไม่เด็ดขาดเนี่ยมันไม่มีครูบาอาจารย์ฝึกให้ไม่มีแยกจิตได้เป็นชั้นๆแล้วมันเด็ดขาดอย่างเงี้ยมันเวลาใช้มันก็จเอาเอาใช้ม่วจริงเลยมีเครื่องมือก็ไม่รู้เครื่องมืออันไหนหยิบใช้ก็ใช้ใช้ไม่ถูก คนรู้หณอาจ<ส>ารย<า>์ไม่พูดอย่างนี้ตั้งแต่แรกๆเลยเราอาจารเข้าใจอยู่แล้วพูดอย่างนี้ใช่ไม่มผมก็เห็นแล้วแต่ละคนเนี่ยถ้าผมพูดอย่างเนี้ยพูดแต่แรกครบเนี่ยคนที่มาสนใจท้ายโษณาจริงๆไม่ค่อยจะมีอยากจะมีพลงังอยากจะมีลิฟต์อยากจะมีอภิญญาฝ่ายรวังตาทิพยูทิพย์รุ่นอีรุ่นนาคตรูุ้่นลาจีเกืองเหลือลึกชาติได้แล้วคนที่มาสนใจ อะไรกาะขึ้นมาละลายพังไปอะไรกาะขึ้นมาละลายิังไปอะไรกาะขึ้นมาละลายพังไปทำที่ปรารนามันไม่มีอย่างที่อาจารสอนก่อนหลายร้อยคนเข้ามาด้านทั้งหใช่แล้วพอว่าเนี่มีปัารนาหายเกลี้ยงเลยใช่ครับสนั่นแต่พอคุณไปสอนเรื่องพลังจิตพลังธรรมชาติพลังลมปราณเนี่ยพลังมันยังแยกออกเป็นพลังจิตพลังธรรมชาติพลังลมปาณส่วนพอวังนี่ก็ยังแยกออกเป็นปิจีตุกุเบขาแล้วในปิจีก็ยังแยกแยกซอยออกไปทัง เป็นเป็นสิธีละเอียดละเอียดละเอียดท่หนึ่งขึ้นไปแต่ละชั้นแต่ละชั้นขึนไปมันยังแยกซอยกันไปอีกไปตรงนั้นน่ะมันมันละเอียดคนอยากเรียนรู้มากเลยตรงนี้คนอยากเรียนรู้มากสองอย่างนี้มันมันมันได้มามันมีขึ้นมามันก็เลยแบบวัดได้อาด้วยอันนี้ชั้นชั้นเป็นอย่างนี้แล้แต่พี่โอทนาจะไม่รู้เลยคือมีอะไรตอไม่ได้อะไรมาไม่ได้อะไรกับบ้าใจกลับบ้านไม่ได้อะไรไม่ได้บัตรไปได้อะไรอ่า แต่ผมไม่อยากให้ไปรู้เรื่องพลงังเรื่องของผวางเพราะว่ามันบัดเจ็บอดไม่ได้ที่จะลองอดไม่ได้ที่จะบาดเจ็บมันบาดเจ็บเพราะว่าไอต้ตัวตัวพลังกับตัวผวางจามเนี่ยมันมีผลข้างเคียงจึงไม่อยากให้ฝึกเพราะว่ามันมีผลข้างเคียง ก็แค่รู้ไแต่ว่ากำลังทำอยู่ใช่ใมันก็คือที่เธอว่าแต่อาจารย์พระวัวงก็เลยว่าเมื่อมันไม่รู้ก็คุมคุมก็คือไปโลกฝึกไปไหนกันนะมันก็เลยอะถ้ามันรู้จะเลยว่าจิตขณะดนี้อย่างนี้คุณกําลังทํำบาลังอย่างนี้ขณะนี้คุณกําลังทำบาวังหรือทำฌานอย่างนี้ขาวิปัสสนาแต่ให้รู้แบบนี้ที่จรกว่าแบบนี้ก่อนดีครับหมายถึงว่าอย่างเนี้เขาเรียกว่าทำอะไรทำอย่างงี้จะงงหรือว่าหรือว่าทำ สมาธนะิทำฌานหรือการเป็นพลังเพราะมันจะเยอะมากว่ากกคนบ่นเลยแล้วอึดอัดแน่นเลยบ่นเลยทํานั่งร้อเห็นสบายนะใช่ดูวิสระ<ท>ดูจิตทำไมมันเครียดนะมันอึดอัดอะไรไปหมดเลย เ, น, น, เลยนี้ยก็คือให้ความจัดการความเพราะถ้าใครเขาอยากจะวิปัสสนาต้งเรีรู้ว่าไอา้สุขภาพเอกไป้น้องขาใช่โถโถ ผู้ปฏิบัติที่น่าสนใจทั้งหลายรวมทั้งเราเนีเราทำพลังมาได้อ๋อเนี่ยมันก็หลักธรรมชาต้คือจังอยู่มันก็ต่อเป็นมวลก็ที่ที่ที่รายการถามเนี่ยว่าที่เน้นเน้นเข้าไปเน้นไปเหมือนเหยียบเบรกเข้าไปเหยียบเบรคเข้าไปเหยียบเบรคเข้าไปอันนั้นน่าคือคุณกําลังทําพลังจากที่คุณดูรู้เห็นเฉยๆทางวิปัสสนาเฉยๆเนี่ยเสร็จแล้วก็พัดเข้าไปในฉลังคือเริ่มเน้นเข้าไปเจาะเข้าไปกดเข้าไปเน้นเข้าไปเน้นเข้าไปเน้นเข้าไปตั้งใจจากมากเข้าไป เดี๋ยวทั้มันเน้นจอจ้องแนบแน่แนติดเลยไม่เคลื่อนที่เลยไม่เคลื่อนไปไหนเลยเนี่ยตัวมก็จะเป็นพลังนั้นถ้าคุณอยากจะผลพิบัตินาสมุนทศนิย ว, ไไวนว่าต้องถอ น, นออมาคออยคอยค อ, อ, อ, อรู้ตัวเองแน้นเมื่อไหร่ก็ต้องคอยทุกครั้งคอยมาเป็นจิตที่ปกติแล้วก็คอยรู้ต่อานกิจที่กอ่อ ทีท่กะเพื่อคือมัได้ใจิที่คิดสิงทนึกสิ่งทีท่ติดที่ซ้อนที่มีอารมณ์ที่วิตกอะไรต่างๆเนี่ยคอยรู้ต่อสั่นสิ่ที่กระเพื่อแล้วก็กิงไปคือไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปไม่เข้าไปติกลาบไปลาบไปลาบไปทิ้งไปให้หมดทิ้งไปให้หมดก็ยิ่งว่ายิ่งเบายิ่งว่างก็ต้องทิ้งเบาทิ้งว่างนั้นไปให้หมดสิมไม่เอาอะไรไว้เลยสักอย่างเดียวแม้แต่ความว่างนี่ก็เป็นปรสศนาเลยเดี๋ยวถ้าปูดไปเราจะดีหรือรู้ดีอะกัน มันก็เลยเป็นการสุขพลงังละจอเน้นๆ เ, เ, เหมือนในสว่าคไปฟ้าเจ่อตึกก็ขี้ก็ไปขี้ก็ไปขี้ก็ไปหัวยฟ้าลอ้อจี่เลยอย่าง น, นั้นแหละคุณก็ต้องถอนหัวฟไฟล้าออกมาไม่ปกติกันแล้วก็มารู้อยู่เฉยๆรู้อยู่เปล่าเปล่าแล้วเมืันก็พัดตกพลังอีกและอย่างเงี้ยแล้วทำวิปัสสนาก็ล้างทิ้งมาเลยล้างทิ้งเพราะว่าเพื่อจะไม่ให้ตัวพลงังนั้นมีปัญหาต่อกายต่อร่างกายก็เลยเอาวิปัสสนามาช่วยต้องต้องเปิดคู่กันไม่งั้นจะแย่ ไอตัวตัวพวังหรือตัวชามอยู่ตรงกลางคือมันทั้งไม่หนักแล้วก็ทั้งไม่ว่างมันเบาไว้ยแค่นั้นจำเปาะทอไม่อยู่น่องเบาเสร็จแล้วมันก็พลังที่ไปเคยทําหนาแน่นไว้มันเข้ามาผสมพอเข้าพอผสมมันคลายไม่ออกละลายไม่ออกเพราะว่าไอตัวพวังมันเป็นตัวทรงอะไตรงเออตสมงไว้พอพลังเข้าพอผสมมันคลายให้ออกละลายไม่ออกไปฟธาตุแตกมีปัญหาจึงต้องทิ้งพวังไปทิ้งไอตัวจิตวิจิตแรนัินยาวไปทั้งหมด เลยเหลือแค่สตัวคือคือตัวพลังกับว่างเพื่อว่างเนี่ยเพื่อไม่ให้มีทีคผลต่อไม่ให้พลังเนี่ยมันอัดกายจนไปทราบแตกก็เอาว่างมาล้างพลังมันจะพอใช้ประโยชน์ได้เอาคนไปทํานาาาาู่ น, นทนํานี่ใช่พลังมันจะเบาใจได้ดังนั้นพอพอว่างเสร็จแล้วก็ทำพลังได้นาแ น, น่นเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าไอตัวตั ว, ต, วตัวว่างเนี่ยตัววิปัสสนาเนี่ยเป็นตัวมาคอยล้างล้างพลังเลยส่งส่งไม่ได้ก็สรงพุกมันเป็นตัวรักษาไว้พลังมันจะเข้ามาผสม แล้วไปทาตุจะแตกคนที่จะมีครบสามอย่างได้สามอย่างได้พลังพะวั ง, ลงลวลาก็กิตัดนากิจพิพนธุ์กิจบ้างไปเนี่ยน้อยคนหนึ่งในล้านผมว่าผมว่าต้องวิปัรณนาเก่งๆต้องคลายเก่งใช่ทอาไปงานมันมีปัญหามากทขมม้าไปนี้เป็นอะไรเก่งๆผมเลยว่าผมรู้อยู่แล้วว่า ถึงผมจะไม่สอนพวกนี้ยไม่สอนพลงังไม่สอนพลววังไม่สอนฌานนี่ยแต่นาพวข้างหน้าเนี่ยหนีไม่พ้นพวกนี้จะต้องแอบไปฝึก <c oughs> ผมเลยเร่งสอนวิปัสนาเพื่ออะไรบอกว่ารู้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยพวกเธอต้องแอบไปไว่ายน้ำก็เลยสอนให้ว่ายน้ําเป็นก่อนบอกว่าอย่าไปไว่ายน้ําอย่าไปไว่ายน้ําที่สุดแล้วเดี๋ยวพวกนี้ต้องไปไว่ายน้ําไปเล่นพลงังไปเล่นฌาน เลยสอนไม่ไหวน้ําเป็นนัเลยเร่งสอนให้ไหวน้ําเป็นก่อนเพราะว่าถ้าไปสอนพลังก่อนไปสอนชานก่อนลิขิตนาไม่กสนใจพอสอนที่ลิขนาไปก่อนแล้วไบวน้วําเป็นแล้วเนี่ยเป็นซึมมันก็เป็นเป็นบ้างมันเป็นลูกหมาตกน้ำก่อนก็พอเป็นบ้างยังไงถ้าไปเล่นพลงังเล่นเล่นชานเล่นอะไรก็ไม่อันตรายนี่คือวัตถุประสงค์แบบนี้แต่อาจารย์ทว่ารดานเห็นว่าไอพวกนี้มันมัว่วจริงๆเลยคือทำทำระวงัง ก็ไม่รู้ทำฌานก็ไม่รู้ทำไม่ตัวพลังก็าไม่รู้วิปัสสนาก็าไม่รู้ไหมคือทำนั่งสมาธิไป่างั้นเนี่ยแต่เรย์ปถามวันนั่งสมาธติตอนนี้ทำอะไรก็ตอบไม่ได้ว่ากาำลังทําพลังอยูหรือทําระวังทำฌานอยูหรือวา่าทํำวิปัสสนาก็ตอบไม่ได้คือทำํทำทาแล้วก็คุมคุ ม, ค, ม, ค, มคือเพื่ อ, อมั่วไป <c oughs> นี่ค่ะท่านจึงเรามาแ ย, ยากมันชัดเจนว่าหนาขณะจิตนี้คุณต้องตอบตัวคุณเองได้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ถ้าอย่างนี้แล้วก็สุดยอด นี่ทำเป็นใหญ่เลยทำแบบบ้านตรงกันแต่ถ้ากันบ้านยังมั่วๆกันอยู่นะทําแบบมั่วๆกันอยู่เพราะว่าเอากันบ้านมาส่งผมมันเป็นพลังแล้วก็บอกว่าเป็นเพราะว่าาลังไปฝึกสทำฌานทำทำภาวังทำจิตรู้ที่เห็นมาไอเดียมันไม่มีเลยก็แค่ประคองความเบาสบายไว้ใช่ครับแต่ถ้าไปจอะก็เสร็จเลยจอะก็เป็นพลังถ้ปล่อยชิ้ขาดหมดก็เป็นนิจพัญญาเป็นบ้าน แต่ถ้าคุณก็ใะอย่างนี me, ne, ้มันก็ฝึกง่ายเพราะว่าเราจะฝิดอะไรไม่ใช่งะเด็นว่าอ๋อเนี่ยเราจะผึกวิปัสสนาอย่างเดียวเราก็ไม่สนใจก็ปัฝกของต้องไม่สนใจที่จะเจาะเพอาะเจอะเมื่อไหร่เราก็คลายสอนทิ้งเพอาต้อารมณ์เมื่อไหร่เราก็คลายสอนทิ้งมันก็เป็นวิปัฒนาเรื่อยไปไม่สามารถเป็นพลังได้ไม่สามารถที่จะเป็นเป็นฌานได้เป็นวรระเพราะว่าคุณจะท้อารมณ์เมื่อไหร่คุณละลายทิ้งทันทีก็จะจมากเกินไปคุณก็ละลายกันทิ้งันทเหมือนกันกรไดวันคุณก็เป็นพรังก็ไม่ได้เป็นได้ มันก็ดีเปอนการรู้ชัดเจนแบบนี้นเรียกว่ารู้ตลอดสายเลยแล้วแสดงว่าจิตรู้จิตเห็นก็มันเป็นผลของการที่เราพอว่าจะถึงระดับหนึ่งค<ช>วามสบายแล้วมันจะเฉลยกับจิตรู้จิตเห็ น, เ, หนเป็นของแผล<ม>เพราะว่ามันเป็นทางว่าคุณทำอย่างนี้จะต้องผลจะต้องเป็นอย่างนี้ก็คือจิตเรามันระดับเดียวกับสิ่งที่เราไปเห็นซึ่งกีมิติหนึ่งใช่ครับถูกต้องนะฮะเวลาเราพอๆให้มันเนี่ยความรู้ของเราเป็นนี้ก็จะ ก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงส่วนตรงนั้นใช่ครับอันนี้พลังนึงคือเราต้องการใช้ให้มันไปถึงรักษาโลกที่อาจารย์ใช้เป็นบ่อยก็คือต้องกรอกขึ้นมาแล้วก็จี้เข้าไปจี้เข้าไปเพื่อทไลนอืยก็หลังนี้มก็โหดชัดเจนแล้วครับจนน้ำก็คไายที่หมดมีอะไรเข้ามา